ในขณะที่พวกเราจิตใจเป็นปกติอยู่เรามีสติบริสุทธิ์ตามธรรมชาติเรามีสติตั้งมั่นแล้วก็จิตใจเราเป็นอุเบกขาแล้วแรงอยู่มันเป็นฌานสี่แล้วเราไม่ได้ทําอะไรเราไม่ต้องไปทําอะไรเราพยายามไปทำฌานสีนี่เราเรากำลังมีตัวเรานี้ต้องการสมาธิตัวเราเนี่ยเต็มๆ เ, เลยเราอาจจะมีฌานสีจริงๆแต่มันมีเรามีเอมันไม่ใช่เป็นการ เข้าไปประจั์แจ้งสิ่งที่มีอยู่แล้วสติสมาธิเป็นสิ่งที่มันมีอยู่แล้วในจิตในใจเนี้ยสติมากๆกลายเป็นสมาธิสมาธิมากๆกลายเป็นความตั้งมั่นแล้วก็จิตใจมันที่ตั้งมั่นมันก็เป็นปกติมันก็เป็นอุเบกขาปัญญาก็เกิดได้ทั้งหมดทั้งสายมันก็คืออันเดียวกันจริงๆแล้วมันคือมะม่วงลูกเดียวกันจากเล็กไปดิบไป สุกไปหามมันก็อันเดิมนั่นแหละมันก็คือมะม่วงลูกเดิมมันก็เป็นสายเดิมอยู่แล้วเราไม่เชื่อว่าไปทาอะไรทีแต่ เ, เราเข้ามาเห็นสภาพที่แท้จริงสภาพที่เป็นจริงสภาพที่มีอยู่แล้วในใจของเราสติก็เกิดสมาธิก็เกิดฌานอยากจะเรียกว่าฌานก็ได้ก็เกิดเหมือนกันเราต้องแยกออกว่าฌานของพระพุทธเจ้ากับฌานของพรานไม่เหมือนกัน อุทกกรดาบทอาราระดาบททำฌานใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็ทำฌานตามอุทกกระดาบทอาราระดาบททำถึงฌานแปดพระเจ้าไปต่อไม่ได้ก็ได้ฌานแล้วเนี่ยฌานลึกแล้วด้วยลึกกว่าฌานสี่ไปถึงฌานแปดเลยพระพุทธเจ้ายังต้องเลิกทำเลยแล้วทำไปทุกวันนี้เราสอนให้ทำฌานทุกวันนี้เราเรียนสอนให้เรานั่งสมาธิให้เข้าฌานให้ได้ทาไมเราไปทําสิ่งที่พระพุทธเจ้าเลิกทําแล้วเราก็บอกว่าเราสอนตามพระพุทธเจ้าสอนมันไม่ใช่ เราไปทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าเลือกทำมานานแล้วสองพันกว่าปีแล้วเราก็ไปทำแบบนั้นอยู่ได้แล้วกันหนทุกคนต้องเลือกทำาพุทธเจ้าเหมือนกันเราสอนให้คนเสียเวลาไปทำแบบนั้นเราสอนนี่เราไม่ดูตัวเองตัวเองทำได้ไหมอย่างนีน้แล้วตัวเองทำแล้วดีขึ้นไหมอยู่ตัวเองยิ่งทำตัวเองยิ่งอัตตาเยอะยิ่งทิฏฐิมานะยิ่งเยอะกูถูกมึงผิดอย่างนี้ เราต้องดูตัวเองได้ตรวจสอบตัวเองได้ด้วยว่าเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามันมีเรื่องของสมถะกับวิปัสสนาที่พระพุทธเจ้าสอนว่าเราต้องเจริญสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไปเป็นความเข้าใจผิดของนักปฏิบัติจํานวนมากเหมือนกันว่านึกว่าเราต้องไปนั่งสมาธิทําสมถะ จนได้ฌานหลในสุดท้ายก็คือจะได้ฌานแล้วเราจะออกมาจากฌานมาเจริญวิปัสสนาตอนออกมาจากฌานนี่แหละกำลังทำถูกแล้วนี่เอไหมแต่เราไปเสียเวลาทำสิ่งๆนั้นระหว่างทางเดินที่เรากำลังทำฌานนี่จิตใจก็สบายสงบนิ่งมีความสุขชอบไหมชอบ ถ้าคนทําสมาธิทําฌานเนี่ยลองไปถามก็ได้ถ้าเรามีเพื่อนที่ทําแบบเนี้ยไปถามเลยว่าเวลาสมาธิตกเนี่ยทุกใช่ไหมต้องไปทําอีกใช่ไหมทุกคนจะทุกยิ่งคนได้ฌานลึกยิ่งทุกเลยเพราะมันตกนิดเดียวนี่มันทุกเลยทุกทันทีทุกเยอะกว่าคนอื่นด้วย อ, อแม้ว่าตอนนั้นจริงๆมันยังมีสมาธิอยู่ได้นะแต่ทําไมทุกเพราะว่าเรื่องเรียลลิตมันสัมพัสถ้าเรายิ่งสูงแล้วเรายิ่งตก มันด้ยี่หิชาตกนิดนึงก็โ อ, อ้เป็นทุกข์เยอะไม่อยากเป็นแบบนี้นอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันอะไรติดฌานนี่แหละก็เรียกว่าติดฌานพอใจกับระดับนี้ลงไม่ได้เลยมันก็เลยเป็นกับดักสมมติว่าคนที่ทําฌานแล้วออกมาจเจริญวิปัสสนาแบบที่เขาจะพูดกันอาจจะทําได้ถ้าตัวเองไม่ติดฌานถ้าไม่พอใจในอารมณ์ความสุขแบบนั้นอันนี้อาจจะโอเคแต่ก็เสียเวลาดี แต่จริงๆแล้วสมถะเราวิปัสนาไม่ใช่การทาแบบมันเป็นสิ่งที่ควบคู่กันอยู่ตลอดเวลาทุกขณะเลยของจิตเราในขณะที่จิตใจเราเนี่ยเป็นปกติอยู่เรารู้สึกตัวอยู่เราไม่เข้าไปในโลกของความคิดความปรุงแต่งอะไรเนี่ยในขณะนั้นน่ยจิตนี่มันพักอยู่แล้วมันไม่ไปทำงานอะไรไม่มีอะไรผ่านเข้ามาไม่มีอะไรผ่านออกไปในขณะนั้นจิตเป็นปกติอยู่สภาพเป็นปกติอยู่แล้ว ไม่มีอะไรเลยตอนนั้นในตอนนี้แหละกําลังเจริญสมถะอยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราตากระทบรูปโอ้ได้ยินเสียงแล้วเกิดอารมณ์อะไรเกิดขึ้นเข้ามาในจิตใจผ่านมาเราเห็นแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปใช่ไหมเราไม่ได้สนใจอะไรใช่ไหมอารมณ์เหล่านั้นก็ผ่านไปขณะนั้นวิปัสสนากําลังเจริญอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวพันผ่านมาผ่านไปเรากลับมารู้สึกตัวจิตใจเราปกติสมถะเจริญแล้ว แล้วเดี๋ยวเราเห็นอะไรกระทบอะไรสิ่งกต่างเกิดขึ้นในใจเราเกิดที่เราเห็นเห็นเฉยๆจเจริญวิปัสนาแล้วเพราะนั้นสมถากับวิปัสนามันสลับกันตลอดเวลากับชีวิตของนักปฏิบัติทุกคนเพราะฉะนั้นสมาธิที่ตั้งมั่นมันเลยไม่เคยตกเลยมันไม่เคยตกเลยมันเลยเป็นชานสีตลอดเวลาเพราะว่าเรามีความตั้งมั่นมีอุเบกขาในจิตใจคือความเป็นปกติมีอยู่แล้ว มันก็เลยอยู่ตลอดอยู่ตลอดมันสมาธิที่เขาเรียกว่าอนันตลิกะสมาธิคือสมาธิที่ไม่มีระวางเลยเป็นสมาธิแห่งความเป็นปัจจุบันที่เราดูตลอดเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตลอดมันไม่เคยตกเลยมันไม่ตกมันเป็นอะไรไม่เป็นฌานมันก็เลยเป็นสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเราไม่ได้ไปทํามันขึ้นมาเพียงแต่เราเห็นนี่มันถูกเฉยๆนั่นเองเราเห็นในมุมให้มันถูกต้องแลก็พอ แล้วมันก็เจริญสมถะเจริญวิปัสนาควบคู่กันไปตามที่พระพุทธเจ้าบอกเปรียบเลยคือควบคู่กันไปไม่ใช่ทำทีละอยา่างควบคู่ไปตลอดเวลากำลังของเราเลยไม่เคยตกเลยแต่อุบายอุบายนี่มันบางทีมันมีเช่นเจอครูบาอาจารย์จะบอกว่าเออสมาธิน้อยไปไปทำสมาธินหน่อยหน่อยนึกว่าหน่อยทำสมาธิหน่อยไม่ใช่ให้ไปทาฌาน คูบาจาแนะนำแบบนี้ใช่เราอยู่ในโลกเยอะเราออกไปเจอคนทำงานเจอลูกค้าเจอลูกน้องเราก็ฟุ้งซ่านอารมณ์มาเยอะในจิตใจเรามันหนักอะ่ะเราก็กลับไปทำนั่งสบายๆทำสมาธิสักหน่อยก็คือทำให้มันหายฟุ้งซ่านสักหน่อยหนึ่งเนี่ยทำนิดเดียวพอมันเข้าที่ปุ๊บ ก, ก็ออกมาเออเด็๋ยวาอนนี่มีกำลังละสบายปกตินะ่ะ ก็ออกเหมือนเดิมเพราะนั้นไอ้ตัวนี้เป็นแค่อุบายตัวบอกว่าไปทาสมาธิสักหน่อยในยนี้เป็นอุบาย ช, ช่วยเราแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการเจริญสมถะเจริญวิปัสสนาเป็นคนละอย่างกันมันมีแค่นั้นเองเพราะนั้นฌานเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ทำขึ้นมาพวกเราทุกคนเข้าถึงมันได้อยู่แล้วตามคำอธิบายของฌานสี่อยู่แล้ว ทริงๆเราทางรัดด้วยเราเข้าถึงสภาพเดิมแท้ที่มันปกติอยู่แล้วที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมันเหมือ น, นป๊เข้าชานซีไปเลยไม่ต้องผ่านหนึ่งสองสาเลยเราไม่ต้องไปละปิติละสุขละอะไรแบบที่เขาว่ากันเป็นชานเป็นขัข้นๆแบบนั้นอย่างนี้คำว่าอ น, นันตมิการสมาธิเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีคนจะพูด ที่เคยเจอมีคนพูดสองคนคือท่านเขียนมา น, นถากับท่านพุทธดาเป็นสมาธิที่ใช้ในการเจริญสสนิพพานใช้ในการปฏิบัติธรรมนี่แหละไม่ใช่ฉานเป็นอนันติกษสมาธิทำแปลสวยมากสมาธิที่ไม่มีระหวา่างมันมีอยู่ตลอดตลอดผลงพ่อสุวรรอเคยพูดตอนไปจะไปขึ้นเครืออ่องบินด้วยกันมั้ เดินเดินอยู่นเนี่ยยุที่หลวงพ่อข้หันมาสมาธิของวิปัสนาเนี่ยมันมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ตลอดไม่มีตกเพราะมันอยู่ปัจจุบันตลอดแต่หลวงพ่อใช้ชื่อไม่เป็นคนที่รู้จักเหมือนกันพูดเหมือนกันไม่ได้ไปทำมันขึ้นมาคนที่ไม่รู้จักพูดไม่ได้เรื่องของเวทนา น, นี่เป็นเรื่องที่ คนเข้าใจผิดเดยอะเหมือนกันอย่างเวลาไปเข้าคอร์สเข้าคอร์สนั่งสมาธิแบบ น, นี้วันแรกๆนั่งก็นั่งเจ็บมากเจ็บมากแล้วก็สมมติผ่านไปก็บอกว่าวันนี้ปฏิบัติยังไม่ดีเลยคือมันยังปวดมากอยู่เลยอะไรอะพอปฏิบัติไปสามสี่วันนั โอ้ยวันนี้ดีขึ้นเยอะเลยนั่งแล้วเนี่ยมันไม่ปวดนั่งแล้วทนความปวดได้เขาคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีแล้วเขาก็มาถามเราอย่างนี้แล้วก็เราบอกว่าเปลี่ยนใหม่อคือเรานี่มีร่างกายร่างกายนี้มันเป็นทุกข์เรานั่งเนี่ยมันปวดเนี่ยเราก็แค่รู้มันปวดเฉย หน้าที่ของเราก็คือรู้อย่างที่มันเป็นไม่ใช่ว่าจะนั่งให้มันหายปวดอันนี้เป้าหมายมันผิดเพราะว่าหายปวดนึกว่าเป็นสิ่งที่ดีถ้าเราปวดรู้สึกว่าเป็นสิ่งไม่ดีไม่ใช่แบบนั้นแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยที่เพิ่งเริ่มปฏิบัติธรรมไปคิดแบบนั้นเนี่ยถ้าเรานั่งแล้วเอาทนได้เราหายปวดแปลว่าเราประสบความสําเร็จจริงๆมันไม่ใช่การเห็นความจริงสักอย่างหนึ่งเลยจริงๆเรานั่งนฮ ะ, ะปวดก็รู้ว่าปวด สติปัฏฐานมันมีตั้งหลายช่องใช่ไหมสี่อันเราปวดแล้วเรารู้ว่าร่างกายเราจะรับไม่ได้ถ้าเราเจะสติปัฏฐานทางจิตตาดูปัสนาก็ได้แล้วก็เราก็เห็นความอยากเห็นอารมณ์ในจิตตามรู้สึกในจิตแล้วเราก็จะเปลี่ยนท่าเราก็เปลี่ยนแต่ถ้าคนเราอยากจะดูเวทนาจะไม่ขยับโอเคก็ ก็ดูเวทนาไปแต่ไม่ใช่ดูให้มันหายปวดเราดูเวทนาเราเห็นว่าตอนนี้อาการปวดนี่มันเป็นไงมันขึ้นขึ้นลงลงมันไม่ใช่ขึ้นตลอดจนเส้นขาดไม่ใช่แบบนั้นมันลงด้วยแล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นอีกแล้วมันก็ลงอีกแล้วถ้าเราปฏิบัติธรรมในแบบนั้นเราจะรู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นเวทนาเป็นเพียงแค่เวทนาเฉยๆเวทนาเนี่ย จากเดิมที่เราคิดว่าเราเนี่ยเป็นคนปวดเนี่ยมันเคยเพี้ีเพราะเรามีเราเข้าไปปวดแต่พอเราเห็นเวทนาที่เป็นเวทนาเฉยเฉได้มันจะตกเลยปุ๊บทันทีเพราะความเป็นเราเนี้ยถอดออกไปมันไม่มีเราเข้าไปปวดเราเห็นมันเฉยเฉยเหมือนเราเห็นไอคนนั้นปวดไม่ใช่เราปวดความทุกข์เราก็ลดลง ท, งทันทีเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานคือเห็นแบบนี้ไม่ใช่เห็นเนี่ยมันหายคือเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันขึ้นขึ้นลงลง mm hmm. ออแล้วก็เห็น ความแปลปรวนของมันแล้วสมบุริ์ว่ามันจะหายไปเราก็จะเห็นว่าออนี่สิ่งต่างๆเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันหายไปมันก็หายไปเองมันหายปวดมันก็หายเองไม่ใช่ว่าเราไปบังคับควบคุมให้มันหายได้นี่เองแต่คนส่วนใหญ่ที่เข้าคอสัตวนั่งต้องทนได้คือการปฏิบัติธรรมทั้งหมดของเราเนี่ยเป็นไปเพื่อเจริญปัญญา ไม่ใช่เป็นไปเพื่อความอดทนถ้าเราเราวางเป้าหมายว่าเราต้องอดทนกับทุกความลำบากได้ไปเป็นทหารดีกว่าไปเป็นกรรมกรไปสร้างถนนร้อนๆ น, น, นอนในสังกสีแบบนั้นลำบากมากเห็นทุกทีสงสาร ท, ท, ทุกทีสงสารคนจนทุกทีเมื่อเขาลำบากมากเพราะเราไม่ได้ฝึกว่าเราจะอดทนเก่งไม่ได้แบบนั้น เราฝึกพิชัยจิตใจเนี่ยมีปัญญาขึ้นมารู้ทุกสิ่งตามเป็นจริงทุกก็รู้ว่าทุกร้อนก็รู้ว่าร้อนลําบากก็รู้ว่าลําบากการมีปัญญานี่คือเราฉลาดที่เราจะรู้ว่าอะไรที่มันพอดีคําว่าพอดีเรามีปัญญาจะรู้ถึงความพอดีของการใช้ชีวิตของเราไม่ใช่แปลว่าเรามีบ้านเราต้องไปนอนหน้าบ้า เรามีบ้านเราก็นอนในบ้านเรามีข้าวให้กินเราก็กินข้าวเราไม่ต้องไปกินของที่เราไม่ชอบกินใช้ปัญญาไม่ได้ฝึกที่จะอดทนเป็นโวยนควายเวลาเราคิดภาพของการปฏิบัติธรรมเราชอบคิดอะไรที่มันลําบากเราชอบคิดเราต้องเราต้องถึกแต่เราต้องอดทนได้ทุกอย่าง มันเหมือนจะถูกเหมือนกันนะมันไม่ใช่ผิดหรอกมันก็นมันก็ช่วยนะความลําบากมันช่วยเหมือนกันแต่เราต้องรู้ว่าเราลําบากไปทําไมอย่างแบบที่เคยพูดหลาครั้งว่าถ้าเราจะลําบากเราต้องรู้ว่าเราลําบากเพื่อจะขัดเกลาตรงไหนของเราเพื่อที่ให้เราจะเรียนรู้อะไรจากความลําบากนั้นแต่ไม่ใช่ว่าเราเชื่อว่ามันต้องลําบากต้องลําบากแต่ไม่รู้เลยลำบากไปทำไมบางคนเชื่อว่า เราต้องอดทนได้อันนี้เป็นทางมันไม่ใช่แบบนั้นเราต้องรู้ว่าเราลําบากเพื่อจะเรียนรู้อะไรในความลําบากเพื่อเรียนรู้จิตใจเราไป น, นั่นการอย่างนี้เราพอใช้ได้แต่ถ้าเป็นในยุคเริ่มปฏิบัติเนี่ยที่บอกสบายเกินไปก็ไม่ดีเราต้องรู้ตัวเองว่าอะไรที่มันพอ ด, ดีกับเราความอดทนความลําบากอันนี้เป็นผู้บายของแต่ละคนที่ต้องใช้แค่นั้นเอง แต่ไม่ใช่ว่าเป็นเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมเพื่อจะอดทนได้ทุกอย่างสุดท้ายเราไม่ได้อดทนที่ทุกอย่างเราเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างคำ ว, ว่าเป็นกลางเนี่ยมีคนเอามีดมากรีดขาเราเราก็โอยเจ็บเหมือนกันใช่ไหมเออไม่ใช่เราทนได้แต่เราไม่ทุกไปเฉยเอออันนี้เรียกว่าเป็นกลางต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแต่ถ้าเป็นทหารใช โดนทรมานเะเอาอีกไม่บอกไม่บอกเป็นความลับเราจะไม่ไขความลับปต่เราทนได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจถูกว่าเราปฏะกัติธรรมเพื่อจะมีปัญญาเข้าใจสรรพสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ตามเป็นจริงแล้วเราก็ใช้ชีวิตในลักษณะของความพอดีในลักษณะที่เรารู้ว่าอะไรที่มันพอดีกับเราไม่ใช่ฟุ่มเฟือยรู่ล่ลา ไม่ใช่ขัดสนค้นแคขมีอะไรก็ใช้มีอะไรให้กินก็กินเหมือนทสมมติเราจะคิดเรื่องลํา บ, บากเช่นเราจะเคยได้กินครูบาอาจารย์ก็อดอาหารเนซัตชิกเนซัตชิกเป็นอุบายเฉยๆเหมือนกันให้เราได้รู้จักเออว่าถ้าเราไม่นอนเป็นยังไงว่า อดอาหารนี่เป็นอุบายเหมือนกันเราต้องรู้ว่าอุบายไม่ใช่ทางเหมือนแม้ทั้งอุบายการหยุดลมหายใจอลมพุเทศให้ลองหยุดการหายใจในสภาพนั้นไม่คิดอะไรมันก็ว่างสภาพนั้นก็ไม่มีกิเลสเหมือนกันลงพุเทสยังบอกให้รู้จักสภาพนี้เอาไว้แบบเนี้ยมันเป็นอุบายแต่ละคนก็มีอุบายที่ว่าจะเข้าถึงสภาพนี้ยังไง ถ้าลำบากเกินไปก็รู้สึกว่าไม่ปกติเลยใช่ไหมมันไม่พอดีกับเราเ่างเนี้ยแต่ก็เป็นการเรียนรู้ให้เรารู้ว่าอ๋อไม่พอดีมันเป็นอย่างนี้เนี่ยคือการปฏิบัติธรรมนี่นะมันไม่ใช่การทำอะไรเลยไม่มีการทำอะไรเลยเราจะพ้นออกจากโลกความคิดปรุงแต่งได้เนี่ยเราทำอะไรเราไม่ใช่ไปหยุดคิดเราอาศัยอะไรเรารู้สึกตัวขึ้นมา พอรู้สึกตัวปุ๊บมันก็พ้นออกมาอัตโนมัติเราไม่ได้ไปทํามันตรงๆกับกิริยานั้นเราจะพ้นออกจากโลกความคิดปรุงแต่งไม่ใช่เราไปหยุดความคิดไปจัดการความคิดไปทําอะไรกับมันแต่เพียงแต่เรารู้สึกตัวเราสร้างเหตุอีกสิ่งหนึ่งผลอันนี้จะเกิดขึ้นเราไม่ได้ทำอะไรตรงๆเพราะฉะนั้นพอเราสร้างเหตุรู้สึกตัวมาปุ๊บมันก็พ้นจากโลกความคิดปรุงแต่งเองแล้ว ครูบาจาก็พูดถึงจิตใจที่มันเป็นปกติรู้จักมั้ยเรามีอยู่แล้วมันก็เกิดขึ้นเองไม่ใช่เราไปทําให้ใจมันปกตินะเพราะนั้นทุกอย่างที่เป็นผลผลผลผลผ ล, ผลทั้งหลายที่เราปฏิบัติธรรมแล้วเราจะเข้าถึงเข้าถึงเข้าถึงเนี่ยไม่ใช่การที่เราเข้าไปทํามันตรงๆแต่ว่าเราแค่สร้างเหตุที่มันถึง แล้วสิ่งสิ่งนั้นจะค่อยๆเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิด ข, ข, ขึ้นเป็นลําดับลําดับลําดับโดยที่เราไม่ได้ทําอะไรเลยในขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยทุกคนรู้สึกตัวได้ทุกคนรู้สึกถึงว่าเรามีร่างกายมีกําลังนั่งอยู่ความรู้สึกของความมีอยู่ของร่างกายนี้ของเราเรารู้สึกได้ในขณะที่เรารู้สึกได้แบบนี้เราไม่มีความคิดอะไรเราฟังเสียงเนี่ยเราฟังเสียงแล้วก็ฟัง แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะเหมือนก็ฟังไปเรื่อยๆใช่ไหมเราไม่ได้คิดอะไรเยอะเราก็รู้สึกของร่างกายเราด้วยจิตใจเราทุกคนตอนนี้ปกติอยู่ใช่ไหมจิตใจเราทุกคนตอนนี้ก็เงียบสงบราบรีบ่นไม่มีอะไรสิ่งเหล่านี้ยก็เกิดขึ้นเองเพียงแค่เราอยู่กับเนื้อกับตัวเราแค่นั้นเองแล้วผลต่างๆก็ค่อยๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมไม่ใช่การทําอะไรเข้าไปตรงๆสิ่งที่เราต้องการได้ มันเป็นการที่เราสร้างเหตุให้ถูกต้องแล้วผลที่เราต้องการได้มันจะเกิดเองแต่ต้องสร้างเหตุให้ถูกต้องนี่มันที่พูดเมื่อกี้ตั้งแต่แรกเรื่องเราอยากได้สมาธิอย่างเงี้ยไม่ใช่เราไปทำสมาธิไม่ใช่เราไปทำมันตรงๆเราแค่รู้จักสิ่งที่มีอยู่เราแค่พ้นออกจากโลกของความคิดเรารู้สึกตัวอยู่สติที่เราต้องการมันก็เกิดรู้สึกตัวอย่างต่อเนื่อง ให้มันบ่อยๆสมาธิมันก็เกิดฌานที่อยากจะได้มันก็เกิดอย่างเงี้ยมันจะสังเกตว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เราถูกสอ น, นว่าเราต้องต้องการให้มันมีขึ้นเราไม่ไปทําตรงๆเราไม่ใช่ไปทําสมาธิเราไม่ใช่ไปทาําทสติแต่การที่เราสร้างเหตุให้มันถูกต้องคือการพ้นออกจากโลกของความคิดปรุงแต่งได้ด้วยความรู้สึกตัวผลต่างๆที่เรากําลังต้องการนี้มันเกิดขึ้นเอง เราไม่ได้ทำเนี่ยแต่ถ้าเราเข้าใจผิดนะเราจะไปทำมันทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากำลังอยากจะได้ผลแบบนั้นเราจะเข้าไปทำแล้วพอเราเข้าเข้าไปทามันไม่ว่าขั้นตอนไหนก็ตามผิดหมดมันจะถูกไม่ได้เพราะมันเริ่มก็ผิดแล้วอืมฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเลยมีหัวใจสำคัญไม่มาก เนี่เช่นบอกว่าบริษาทเข้าไปทําอะไรทั้งนั้นมันมีแต่รู้เฉยๆรู้เฉยๆเราจะรู้เฉยๆได้มันต้องรู้สึกตัวเราจะรู้เฉยๆได้จิตใจนี่ต้องไหมต้องตั้งมัน่นจิตใจมันตั้งมันได้ไงเพราะจิตใจนี่มันเป็นปกติอยู่อย่างต่อเนื่องหรือบ่อยๆเนยผลทั้งนั้นเลยเ อ, อเราไม่ได้ไปทําให้มันเป็นอย่างงี้ยไม่ได้ทําให้มันปกติ ไม่ได้ทําให้มีสมาธิไม่ได้ทําให้มีสติไม่เหมือนแค่ปฏิปธรรมที่เป็นการแค่รู้ว่าเหตุอย่างนี้จะทําให้เกิดผลอย่างนี้แล้วเราก็สร้างเหตุให้มันถูกแค่นั้นเลยไม่ใช่การไปทําไปสร้างไปทําต้องได้นี่ได้นั่นขึ้นมาไม่ต้องไปทำอะไรถ้าเรามีในใจของเราเราลึกไว้ว่า การปฏิบัติธรรมไม่ใช่การทำอะไรเนี่ยทุกคนมีอยู่ในใจแบบนี้เนี่ยเราจะรู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคำสอนอะไรก็ตามที่ให้เราทำเราจะรู้ว่ามันผิดแล้วเราจะไม่ต้องคิดว่าไอ้มันถูกหรือมันผิดวะหรือต้องลองทำก่อนเราจะรู้เลยว่ามันผิด